ทีนี้เนี่ยนาโยมอาจจะนั่งขัดสมาด์นะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเคยมีชาวขเขมรแกมาที่วัดจะ ต, ตกใจนะเห็นคารวะญาโยมนี่นั่งขัดสมาด์แทนที่จะนั่งพับเพียบต่อหน้าพระเพรแกเห็นว่าการนั่งขัดสมาดนี้ไม่สุภาพนะต้องนั่งพับเพียบนะมาแล้วตกใจ